เขาไม่มาอยากท้อไปหาก็กลัว ทนทนอยู่อย่างคนง้อเขามัน ทำได้คือบอกหัวใจไม่ให้ผุ chee wit than ทำว่าคอยเสื้อจนขึ้นใจเหมือนเลือกแบบนี้เจอกอรมาณก็ต้องทนไวสิ่งเดียวที่พอทำได้คือบอกหัวใจไม่ให้ฝุ่งสันนอนกอดความเหงาในวันที่เขาไม่มา ยังห่วงกันคงต่อชีวิตผู้หญิงอพับ Quan mi de